ال นิรจ ا, أ ل إ إن أن ر ัลสลา م ุลลอฮ์รับมานุลรา الحمد لله رب العالمين الله أ ص ل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا ع ل م ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب شرح لي صدري و ي س ر لي أمري วะพลูเล็งดะต์มิลิสานีฟ طاو ولي اللهمعلمنا ماينفعونا وانفعنا بماعلمتنا وزدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا و إ ل متوفر لنا وترحبنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتينا م ل د كرحمة وهي لنا من أمرنا رشدا Um l aka, il a l l ل h wa ah makan, ah ika, allah, ala, hab, u m m a lakal h a m d ا l i l l a h illa anta Subhanaka innaka mina minazzalimin الحمد لله ا ل ل ه h u m a ṣ حوالنا و ح و ا ل المسلمين في كل مكان برحمةك يا أرحم ا ل ر ح م ي ن شكر ์ to Allah صلّى الله تعالى نحب وني رقّل بما رين ل ق آ ن تدبر سورة ا ل ف ت ح ي ังอยู่ใน و ر ة الفاتح นะครับ إن شاء الله วันนี้เราจะเริ่มอ่านตั้งแต อายัดที่อายัดที่แปดเป็นต้นไป <c oughs> หน้าที่สองพันหร้อยห้าสองพหร้อยห้านะครับ <c oughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إننا أرسلناك شاهدا ومبشرة ونذيرا ลทุเอ و ม ب ุบิลลห์ ورسوله وتعزروه وتقروه وتسبعه بكرته ว إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ا ل ل َّ ه ฮ ي a الله a و a أيديهم فمن كثف إنما ي u ala n a f s i ه وَمَنْأَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُتِيَ أَجْرًا عَظِيمًا <تصفيق> الحمد لله อายัดนี้นะครับวันนี้เป็นอายัดที่8นะครับจากสุรจุลฟัตเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นสุรษมาอย่างที่เราบอกนะครับว่าสุรษนี้เป็นสุรษที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลาประทานลงมาเป็นของขวัญให้กับท่านนาบีสัลลัลลอฮอะลัยวะสัลลัมเป็นการประกาศใช้ใชนะเป็นสิ่งพิเศษให้กับท่านนาบีและบรรดาสัฮาบะ์รวมถึงประชาชาิอิสลามทั้งหมดนะครับ ตั้งแต่ต้นสุร ahoma อินฟาตจนาละฟาตฮามูบีนพูดถึงของขวัญที่ให้จำเพาะเจาะจงกับท่านนาบีก่อนซลลละฮวาเลวะเซลันี่คือตอนที่หนึ่งที่เราเรียนไปแล้วพอตอนที่2เนี่ยพูดถึงของขวัญที่เป็นรางวัลให้กับบรรดา穆มินด้วยละตุ้ลาสัยสกีนห์ ลงไปในหัวใจของบรรดาโมมินให้พวกเขามีความรู้สึกสงบนิ่งยอมรับเชื่อฟังต่อท่านนาบีสุลตล า, านของเวาซัลลัมในโลกดุนยียแล้วก็ให้ใชัยชนะอีกหลายๆเรื่องจากสนธิสัญญาฮุไดเบียถึงแม้ว่าในภาพโดยผิวเผินนั้นดูเหมือนว่าเป็นการเสียเปรียบจากสนธิสัญญาดังกล่าวแต่พวกเขาได้รับสิ่งอื่นอีกมากมายนะครับรวมถึงในวันอคครอ a um. nah, l l nah, a سبحانه และก็จะเอาพวกเขาเหล่านั้นเขาสู่สวรรค์ของพระองค์อันนี้คือรางวัลจากสุรทุลฟร์ในอายัดนี้อายัดนี้อายัดที่8เนี่ยอินน่าอัลสลนะกะชาฮิดันวะมุบัชรันวะนาซีรออันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการจาก Allah س ب ن ه และกะ บอกแล้วให้ของขวัญพิเศษกับท่านนาบีแล้วทําไมทิอลัตอลตะละให้ของขวัญพิเศษกับคนผูน้นี้ที่ชื่อม่ฮัมมัดซลลละฮวาเลยวะสัลลัมทำไมลตตะละต้องให้ของขวัญพิเศษให้กับคนคนนี้ด้วยเพราะบุคคลผู้นี้เป็นรอซูลของพระองค์พรองประกาศเลยอินนาอัลันนากะเชฮิดันวามูบัชชีรันวานาซีรอนี่คือตําแหน่งของใคร ของมุฮัมมัดสุลต่านมาอะไรหัวศาลาบุคคลที่มีตำแหน่งนี้ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้เป็นบุคคลที่สมควรจะได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อะไรคือตำแหน่งของท่านนาบีอินนาอัลซัลน่ากะแท้จริงแล้วเราได้ส่งเจ้ามาในฐานะเป็นชาฮิดันเป็นสักขีพยาน เป็นพยานให้กับอุห ม, มะในยุคของท่านรวมถึงพวกเราจนกระทั่งถึงวันเกียรติ์อะไรคือคําว่าชาฮิดันอะไรคือความหมายของคําว่าชาฮิดันพวกเราเคยได้ยินไหมครับว่าอุห ม, มะของท่านนาบีสุลต่านของอะไรวะซัลลัมเนี่ยจะเป็นพยานให้กับมนุษย์ทั้งหมดพอถึงวันอัคคีระห์พอถึงวันอัคคีระห์ น, นี่ Allah อาลาัจะเรียกอุห ม, มะของนบีนู่ มาสอบสวนเสร็จแล้วพระองค์ก็จะถามถามพวกเราทุกคนที่เป็นอุมนั์ของท่านนาบีมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าเป็นพยานให้ได้ไหมว่านุษย์ได้ทำหน้าที่ของเขาในการเผยแพร่ศา ส, สนาของ Allah Subhanahu Wa t a เพราะว่าประชาชาิหรือมนุษย์ในวันเกียรติจะอ้างนูน่นอ้างนี่กับ Allah Taala จะอ้างว่ารอซูลไม่มาบอกคนนั้นไม่มาบอก แต่บรรดารอซูลก็จะตอบกับละตาลาว่าฉันได้บอกแล้วฉันได้ด่าว่าแล้วฉันได้เชิญชวนแล้วนะละตาระก็จะฟังบรรดานาบีเหล่านั้น อ, อ, อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรภาษาทา น, นายเนี่ยผมไม่รู้จะพูดเขาเรียกว่ายืนยันว่<ม>าตัวเองได้ทําหน้าที่แล้วและละตาละก็ถามว่าใครจะเป็นพยานให้กับเจ้าพวกเราทุกคนที่เป็นอุห ม, มะของท่านนาบีมุฮัมมัดสาลาสลัลจะเป็นพยานให้กับ บรรด า, นนาเรานั้นและท่าน ر س ลลัลลอฮุอะลัยวะัลลัมจะเป็นพยานให้กับเราอีกขั้นหนึ่งท่านนาบีจะเป็นผู้ประทับตราว่าคาพูดของเราเป็นความจริงเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของควาว่าชาฮิดันละาลส่งท่านนาบี u d สลส ล, สลัลัลลัมให้เป็นพยานกับพวกเราทุกคนเอาลมะมาอธิบายว่ายังไงมาดู إِنَّا أ َ رسل ์ شاهد ل ِิมัน آ م ن َ منهم بالإيمان ولمنكفر منهم بالكفر بعد أنبلغتهم رسالة ربي كتبلغن تامًا كاملة ا ل ท่านนบีจะเป็นพยานยให้กับคนที่เป็นผู้ศรัทธาว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาจริงและเป็นพยานยให้กับคนที่ไม่ได้ศรัทธากูฟรต่อละต่ลลอว่าเขาเป็นคนที่กูฟหลังจากที่รีซาละหรือคาสอนของละาอัตลอมาถึงเขาแล้วนะครับ นอกิอัสซดีกล่าวว่าอยงไง ا นอลิอุมมติกะบ م ا ف ل ش ر ش ا د น ع ل ى ا ل م ق ا ل و ا ل م س ا ئ ل ح ق ه ا و ب ا ط ل ه و ش ا د ن ل ل ل ه ل ى ب ا ل و ح و ا ل أ ا ر ب ا ل م ن เป็นสกีพยานในเรื่องความสัตยามดความัตยที่เราจาเป็นจะต้องสัตย์ต่อ Allah و ت ع ا ل ถ้าสมมติว่าท่านนาบีไม่มาบอกเราเนี่ยแล้วเวลาที่เราศรัทธาต่อ Allah, าตาลาะสุภาอนาตะลใครจะเป็นคนรับรองว่าการศรัทธาของเรานั้นเป็นการศรัทธาที่แท้จริงเราจะเอาการศรัทธาจากใครเวลาที่เราบอกว่าเราศรัทธาต่อ Allah, าตาลาะสุภาอวาตะลเราเอาใครมาเป็นคนประกันให้กับเราว่าความศรัทธาของเรานั้นเป็นศรัทธาที่ถูกต้องแล้วอ้างลอยๆได้ไหมว่าเราศรัทธาต่อลาะ การศรัทธาของคนคนหนึ่งจะเป็นศรัทธาที่แท้จริงต้องได้รับการสักขีพยานหรือประทับตราจากใครจากท่าน ر س و ل u l l ลอ صلى الله عليه وسلم อันนี้คือหน้าที่ของท่านนาบีเพราะฉะนั้นศรัทธาของเราต้องเช็คให้ดีว่า إ ي م านของเราอามัลของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราท่านนาบีเราทำถูกต้อง ตามมาตรฐานของคนที่กับทําหน้าที่ประทับตราให้เราไหมอันเนี้ยต้องเช็คเพราะว่าท่านนาบีจะเป็นคนตรวจเราจะเอามาตรฐานใครมาตรวจว่ามาตรฐานว่าอิมัลของเราถูกผิดอมามัลของเราถูกผิดถ้าไม่ใช่มาตรฐานของขามัดอราลลลสุลลาะสลตาะฮะเลวะชะลังเราจะไปเอามาตรฐานของโตครูคนนั้นทามันค้านกับท่านนาบีไม่ได้มันก็ไม่ถูก เพราะคนคนนั้นจะไม่ได้เป็นศักดีให้กับเป็นเป็นศักขีพยานให้กับเราในวันเกียร์มาท่านนาบีสุลต่านจะเป็นสักขีพยานยให้กับเรานะครับเดี๋ยวอาจจะมีฮะดิษผมไม่เจอในทักซีรว่ามีฮะดิษที่พูดถึงหรือเปล่าฮะดิษที่พูดถึงวันเกียร์มัดนะครับที่ว่าที่ว่าท่านนาบีนั้นทําหน้าที่ในการเป็นพยานยให้กับเราและก็อุมม่าของท่าน ทำหน้าที่ในการเป็นพยานให้กับอุมมักก่อนก่อนนะครับอันนี้อยู่ในฮะดีษจาไม่ได้ละแต่ว่าไม่เจอนะครับในทับซีฟไม่ได้เจอตรงนี้นอกจากจะเป็นสัก ข, ขีพยานแล้วหน้าที่ของท่านนาบีลลลสุลตล่านก็คือว่ามูบาชิรันเป็นผู้ที่นําข่าวดีให้กับคนที่เชื่อฟังมูบาชิรันลิมันอัตตาอัลลอฮ์ให้ข่าวดีกับคนที่เชื่อฟังเจ้าคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ بالثواب الدنيوي والديني والأخروي โดยผลบุญผลตอบแทนทั้งผลตอบแทนในทางโลกผลตอบผลตอบแทนในทางศาสนาและในวันอ رة, าคิรจะอัลลอฮ์สุบฮานาะวะจจัลละวันอะซีรออะซีรอก็คือแจ้งข่าวที่ตรงกันข้ามกับข่าวดีมุบะชิรอนบอกว่าคนที่ทำดีคนที่อีมาน คนที่อามัล ص ล ل ح คนที่เชื่อฟัง Allah จะได้เข้าสวรรค์นี่คือมุบัชิรันนบีระบอกให้กับคนที่ไม่ยอมศรัทธาต่อ Allah เตือนคนที่ทำชั่วทำบาปทำความผิดต่างๆว่าพวกเขาจะต้องเข้านรกได้รับการลงโทษจาก Allah Subhanahu wa ในวันเกิยมานี่คือหน้าที่ของท่านนาบีส ل ل ه عليه و س นะครับบาชีรันและนีระร มุบช <ie> ิร <elekt french> ันแะน azira ก็ได้ถ้าเราจาได้ไหมที่เราเรียนสุราอัลมุซมิลกับอัลมุดดิรยาอ้ายอลมุดดิษร์ قوم فأنظر นี้คือคำสั่งที่ Allah สั่งให้นบีกอมร่า فأنظ รเนาะน azira ส่วนมุบชิรเนาะ เราเรียนละในสุราห์แล้วนะอยู่ตัวอย่างเช่นในสุราห์อะไรที่เราเรียนสุราอัลซอฟวะเบชิริซอบิรีนจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาคนที่อดทนและสวัสดทั้งหมดทั้งปวงนั้นเราเอามาจากใครครับเอามาจากคำพูดคำสอนเอามาจากปากของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนี่คือภารกิจหรือตำหน่งของท่านนบี เป็นา ا ه ดเป็นมุบาชิรและก็เป็นนบีแก่มวลมนุษยชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราทุกคนในวันอัคิีราะ์นั้นล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวโยงและเกี่ยวพันกับท่านหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือกาเฟตทุกคนจะต้องผ่านมือของท่านนาบีสุลตลัลสลัมในวันเกียรมไม่มีใครที่จะรอดพน้นหรือว่า จะได้รับการคิดบัญชีจาก Allah สมาสตาล่ ะ, าาละยกเว้นท่านอบดจะต้องต้องต้องอะไรนะเขาเรียกนะต้องอยู่ต้องอยู่ด้วยในถ้าเป็นในศาลก็คือต้องมีต้องมี อ, งม อ, งมอะไรอะ่ะฮะเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นทนายเหรอเป็นทนายก็ได้เป็นทนายเนี่ยก็คือคนที่ให้ในฐานะที่ให้เชฟะฮ์ให้เชฟะฮ์เนี่ยอาจจะอาจจะคล้ายๆกับทนายแต่ อ่ะเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้ต้องถามบังกริในศาลเนี่ยมันจะต้องมีคนคนหนึ่งที่คุมอยู่ว่าคนนี้โอเคผ่านคนนี้ไม่ผ่านอัลลอฮฺว่าบาง h ดิ i s เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตอนสอบสวนเท่านั้นแม้กระทั่งตอนที่อุมม่าของท่านนาบีเนี่ยกำลังจะผ่านสิรอกำลังจะข้ามสะพานสะพานที่ถูกที่ถูกขึงบนบนบ น, บนไฟนรกอะ่ะ ตอนที่จะไปสวรรค์นเนี่ยท่านอบิจะขอดูอาอมมตีอมมตีอมมาตีอมมาตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันขอดูอาจอากอัลลอฮ์ละให้เราเนี่ยได้ข้ามไปอย่างปลอดภัยอมมาตีอมมาตีขอดูอาอย่างนี้ยาอัลลอฮ์ทำหน้าที่การเป็นรอซูลทําหน้าที่ในการเป็นแชฮิดไม่ใช่เฉพาะในโลกดุนยาเท่านั้น ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่คนคนหนึ่งอุมมะของท่านคนหนึ่งจะข้ามสะพานศิรอดเข้าไปสู่สวรรค์สถานที่พำนะักอันถาวรของเขาอยาอล l l a h ท่านนาบีไม่เคยทิ้งพวกเราสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมในดุนยาท่านไม่เคยทิ้งพวกเราให้หลงทางให้หลงผิด ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านบอกชัดเจนละว่าท่านทิ้งมรดกเอาไว้สองอย่างถ้าเรายึดมั่นกับสองอย่างนี้ไม่มีวันหลงทางอย่างเด็ดขาดท่านไม่ได้เสียชีวิตไปนอกเสียจากว่าทุกอย่างที่จะทําให้เขาค น, น, นเราทุกคนคนคนหนึ่งจะเป็นชาวสวรรค์ได้นี่ไม่มีอะไรที่ท่านอภิปกปิดเลยบอกหมดใครจะไปสวรรค์เนี่ยหนึ่งอสสี่ห้ามีหมดทุกอย่างไม่ได้ปกปิดเลย ใครอยากจะได้รับผ ล, ลบุญเจ้าลาัทธิว่าอะไรไม่มีสิ่งใดที่ท่านนาบีปกปิดกับเราเลยแม้แต่น้อยบอกหมดและไม่มีสิ่งใดที่จะนําบาวคนหนึ่งไปเป็นชาวนารกวาอลยาตูบินไลฮ์มิลาลิกนอกเสียจากว่าท่านนาบีต้องเตือนหมดแล้วท่านนาบีบอกหมดแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ปฏิบัติตามคําสั่งและหยุดงดเว้นตามที่ท่านนาบีได้เตือนเอาไว้เขาปลอดภัยอย่างแน่นอนในโลกดุนยาทาหน้านะที่ได้สมบูรณ์และในวันอาคีรอ ยังไปยืนรอพวกเราแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะเป๊ฮวะสัลลัมเราจะสำนึกบุญคุณนี้ได้อย่างไรนะครับบุญคุณของท่านนาบีสัลลัลลอฮวะัลลัมเราจะนี่แหละที่ว่าทำไมคนคนหนึ่งเป็นคนที่บาเคิที่สุดและเป็นคนที่ขี้เหนียวที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่า ชื่อของท่านนบีสุลต์ละสลัมถูกพูดแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมสล่าวะให้กับท่านนบีสุลต์ละสลัมเป็นคนที่ไม่รู้จักท่านเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณของท่านถ้าสมมุติว่าอ่ไม่ให้เกียรติอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าทําไมอุมาอิสลามเวลาที่ชื่อของมุฮัมมัดสุลต์ละสลัมถูกดูถูกถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายนี่ทำไมหัวใจของผู้ศรัทธามันถึงมันถึงขึ้นมันรุ่มร้อนเพราะอะไรอะเหมือนเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมา เห็นไหมเพราะเรารู้ดีว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นมีบุญคุณกับเราแค่ไหนไอ้คนที่ดูถูกไอ้คนที่ล้อเลียนเขาไม่รู้จักเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยที่เขากล้าดูถูกไม่รู้ถ้าเขารู้ว่ามุสลิมมุสมินผู้ศรัทธาให้เกียรติแค่ไหนกับท่านนบีเราเราเชื่อว่าเขาคงจะไม่นะครับเป็นการไม่ให้เกียรติท่านนบีสุลต่าละฮ์ม์อะลัยฮุสสลามซึ่งอยู่ในหัวใจของ ประชาชนมุสล uh ิมทุกคนอัลลอฮ์อัลลอฮลาอิลาห์อิลลอฮจริงๆแล้วมันมีอายัอีกในสุรร์อื่นในสุร์อัลบักร์ยุจุที่สองถ้าเราเคยเคยเคยพานี่ทีลาตะลาบะววกาซัลิกะัลนคุมอุมะตนวัสะลิตคุนูชูฮัดะะะะะะะะะะ عَلَيْكُمْ ش َ ه ِ ي, ي ه د ًน <س ؤ ال> อะไนี้อที่เราอทนนี่ได้ขึี่เข้าไปอท <س ؤ ال> ี่5ข้อกว่แหละที่ได้ทเที่เป็้อมมตตันนนวสวสสาาาเปปป็ระชาชชาิหลยคอบแทว่9ข้อที่าง จริงๆแล้วแปลตรงๆแบบนี้ความหมายมันอาจจะคลาดเคลื่อนคำว่าสายกลางในความหมายของเราหมายถึงอะไรอยู่ตรงกลางหรืออยู่ตรงกลางระหว่างความดีกับความชั่วหรือเปล่าไม่ใช่อมมัจันวะสะัสสตอยู่ตรงกลางระหว่างความชั่วสองฝั่งอมมัจันวะสะัสสตเนี่ยหมายถึงเหมือนกับคนที่เป็นกรรมการกรรมการต้องเป็นกลางไหมคนเป็นกรรมการอะ ต้องเป็นกลางนี่แหละคือความหมายของคาว่าอมตันวสตอเป็นคนที่มีมาตรฐานในเรื่องความดีถ้าจะเอาความดีมาชั่งว่าอันไหนเป็นความดีที่ถูกต้องอันไหนเป็นความดีจอมปลอมต้องเอามาตรฐานของอมตันวสตอต้องเอามาตรฐานของกรรมการจะไปเอามาตรฐานของคนอื่นไม่ได้จะไปเอามาตรฐานของฝ่ายแดงหรือฝ่ายน้าเงินไม่ได้ต้องเอามาตรฐานของใคร ต้องเอามาตรฐานของกรรมการใครเป็นกรรมการอุมมะของท่านนาบีเนี่ยเป็นอุมมะจันรสตอเป็นกรรมการกลางที่จะเช็คอมมหุหมะทุกอุมมะเลยแล้วท่านนาบีวยาคูนัลรัสูละเลิกุมชาฮิดะท่านนบีเป็นเหมือนผู้อํานวยการของกรรมการอีกขั้นหนึ่งที่ผมอธิบายไปแล้วตอนแรกเมกื่อกี้อันนี้แหล้อายันี่แหละยูนัยอายันี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มาซาลลอ ลิตุมมนูบิลลาห์รลสูลให้ท่านนาบีสโลลล้องอะวะสุ ล, ล, ส ล, ลัมแต่งตั้งราสูลขึ้นมาคนหนึ่งเป็นพยานให้กับประชาชาิเป็นผู้แจ้งข่าวดีเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายเนี่ยเพื่ออะไรลิตุมินูบิลลาเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ศรัทธาต่อหลอสุบฮานาะจัลลา นี่คือเป้าประสงค์ของการส่งรอสูลุละสลลัลลอฮาเลยัลัมลงมาถ้าไม่มีท่านนาบีสัลลัลลอฮสัลลัมเราจะศรัทธาต่อละต่ลลาได้อย่างไรสมท่านนาบีมาเพื่อให้เราได้รู้ว่าเราต้องศรัทธาต่ออละอิตุมีนูบินดานะครับอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดจากการแต่งตั้งรอสูลนะครับในทุกอุมมห์เลย ไม่ใช่เพาะอุมาของท่านนบีแต่งตั้งนุมาเพื่ออะไรก็เพื่อเชิญชวนให้คนศรัทธาต่อราะแต่งตั้งฮูดมาเพื่ออะไรเพื่อเรียกร้องพักพวกพวกอาร์ตให้ศรัทธาต่อลาะนบีทุกคนถูกแต่งตั้งมาเพื่อเรียกร้องให้ประเจ้าของพวกเขาศรัทธาต่อลาะสมบัติอะไรซึ่งรวมถึงท่านนบีมุฮัมมัดสโลลล์สัลลัมด้วยริตุมินูบิลลาห์วรัสูล เพื่อให้พวกเจ้าศรัทธาต่อล l l ศรัทธาต่อ ر س و ของพระองค์ و สองอย่างนี้มีความหมายใกล้เคียงกันมาจากคาว่า ا ل มา ز ي วย م ع ร ى ช่วยเลือ และให้เกียรติอันนี้คือความหมายของคำว่าตัวอัรให้เราช่วยเดี๋ยวจะบอกว่าช่วยใครวตอกรไอตอัุตกรยกย่องเชิดชูคือมันรวมอยู่ในความหมายเหล่านี้แหละปกป้องยกย่องเชิดชู ช่วยเหลืออยู่ในความหมายของคำว่า وتعزروه واقترو ถามว่าสองคำนี้หมายถึงใครให้เราช่วยเหลือใครถ้าเรียนในภาษาอ раб เนี่ยเรียนนักวิยากรภาษาอ р า б เนี่ยคำว่า w ู o ตัวหาที่อยู่ข้างหลังอะ تعزروه who ตัวอักตรู ู h uu, h uu, ูตรงนี้มันกลับไปหาใครกลับไปหาอัลลอฮ์หรือกลับไปหาข้านบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสลมถ้าเราบอกว่าว่าจะรู้ให้ช่วยเหลืออัลลอ์ได้ไหมส่งท่านนบีมาเพื่อให้เราช่วยเหลือ uh ลอัลลอฮ์และให ยกย่องสารเสิญอ ha ัลลอฮ์ถูกไหมครับก็ถูกให้อิมานต่ออัลลอ์ให้อิมานต่อรัสูลให้ช่วยอัลลอ์ช่วยศาสนาของอัลลอ์ให้ยกเกียรติให้ช่วยช่วยอัลล์ถูกไหมความหมายนี้ก็ถูกไม่ผิดหรือถ้าเราจะบอกว่า lituaziru เพื่อให้พวกเจ้านั้นช่วยรัสูลอัลลอฮ์สุลลัลลอฮอะลัยฮิวัมปกป้อง ให้เกียรติถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นทั้งสองความหมายนี้จึงมีการอธิบายจากนักตัซีรทั้ง2ทัศน์ะเลยทัศนะหนึ่งบอกว่าหมายถึงช่วย Allah ให้เกียรติล l l a h ในขณะที่อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าหมายถึงให้ช่วยท่าน r a s ลล u l l a h s a l l a l อ a h u a l a ย h i wasallam ให้เรายกย่องและให้เกียรติท่านนะครับทั้งสองนี้ไม่ผิดแต่ประกาศใด เพราะฉะนั้นนอกจากเราจะต้องศรัทธาต่อท่านนบีแล้วหน้าที่ในการปกป้องเป็นหน้าที่ของเราด้วยแต่จะปกป้องอย่างไรอันนั้นก็ต้องมาดูนะครับก็จะปกป้องแบบไหนตามกาละเทศะที่มันเหมาะสมหรืออะไรต่างๆนาะนาะนะก็ต้องมาดูกันก็ต้องมาคุยกันก็ต้องมาหาคำตอบจากบรรดาอุลามะที่เขาวิเคราะห์นะครับวิจัยแล้วก็ให้น้ำหนักเพราะบางที การแสดงออกที่มันเกินเลยไปอาจจะนำมาซึ่งผลที่ไม่คาดคิดก็ได้นะครับอันนี้เราเรายังไม่ฟันโชนะ แ, แต่โดยพื้นฐานโดยหลักการแล้วมุสลิมทุกคนจะต้องช่วยรอสุลลุ่ล่ะลลัลลอฮอะลัยฮิวะสัลลัมจะต้องปกป้องเกียรติของท่านยิ่งกว่าชีวิตนะครับววตุุบบหููรอาล เพื 1, ่อให้พวกเจ้าได้ตับะทศเบะตรงนี้ตเบต่อใครตบต่อสุลลัลได้ไหมอ่าผู้ตรงนี้กลับไปที่อัลลอฮ์ท่านองเดียวแล้วไม่ได้กลับไปที่ท่านนบีแล้วนะวจุสบฮุยังงทศเบตอัลลอ์และ ت ع บุระตันกล่าวเบก็คือุบฮานอัลลอฮ์หรือบางทีอาจจะหมายถึง การอิบดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดมันเป็นการอธิบายความหมายของคําตมเปโดยรวมตตรงนี้หมายถึงอิบดห์การทาความดีว่าทุสบิสบิุละห์บุคระต์และ أصيلةفذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله و ه الإيمان ب ه و ا ل م ق ت س ر س و ل هو التعزير والتوقير والمختص بالله هو التسبيح له والتقديس والتقديس بصلاة أو غيرها ما شاء الله แล้วสีอัติบายน่าสนใจมากท่านบอกว่าอายัดนี้เนี่ยมีความอะไรนะมีสิทธิร่วมกันระหว่าง a ل l a h และ Rasul ของพระองค์ ลีตูมิโนบิลลาฮิวารสูลเเป็นสิทธิของใครเป็นสิทธิของล l l a h และเป็นสิทธิของ Rasulullah صلى الله عليه و ل م ถ้าตามทัศนะที่บอกว่ามาถึงท่านนบีก็เป็นสิทธิของท่านนบีหรือตามทัศนะที่บอกว่าเป็นสิทธิของ Allah ก็เป็นสิทธิของล l l a h พอตอนท้ายวัดูซบิฮูอันนี้เป็นสิทธิของใคร เป็นสิทธิของ Allah เทียบพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นอายันี้รวมหมดทั้งสิทธิของ Allah และสิทธิของท่าน رسولullah صلى الله عليه و س อัลท uh, ัศบิหะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ อา말อื่นๆด้วยนะครับรวมถึงการตัสป็ด้วยป่นะครับรวมอยู่ในความหมายองคำว่าวาสปิห hmm. ูบุคเรตางวาอัซีลนะเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอสุบฮาน a l t o t การตัดสปต่ออัลลอนี่เป็นหน้าที่ของเราการทำอาลอิบาดห์ต่ออัลลอสุบฮาน a l t o t ยามเช้ายามเย็นกลางวันกลางคืนนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีสุลัลละซันละมาสอนเรานะถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ เราต้องแสดงออกด้วยการอิบาดะต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งยามเช้าและยามเย็ น, นเป็นผู้ศรัทธาแล้วไม่ยอมทําอะไรเลยบอกว่าตัวเองศรัทธาอย่างเดียวโดยที่ไม่ยอมกระดิกมือกระดิกเท้าไม่ยอมก้มหัวไม่ยอมสุญูดอันนี้ยังไม่แสดงถึงหน้าที่ของคนที่เป็นบ่าวที่แท้จริ ง, งาตา่อ Allah Subhanahu Wa Taala นี่แหละครับสองอายัด ที่กลังพูดถึงหน้าที่ของท่านนบีสุลลฮะลฮัลลัมและหน้าที่ของเราหน้าที่ของท่านนบีิดันวะมุบัชรันวะนีรหน้าที่ของเราลิตมนุบิลลาวะรูลิวะตอซิรวะตกรวะตับบิหูบุวอิล่าเพราะไหมที่จะทาหน้าที่ของเราท่านนบีทาหน้าที่ของท่านหรือยังอะ ท่านนาบีบอกบทหรื อ, อยังท่านนาบีสอนเราหรื อ, อยังทําหน้าที่ดีหรื อ, อยังจริงๆเราคำถามนี้ท่านนาบีเคยถามก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตถูกต้องไหมครับในทุ่งอัลลอฮ์ท่านนาบีเคยบอกอขึ้นมาแล้วก็โคตบะบอกบอกบอกสุดท้ายท่านนาบีก็ถามว่าอะไรฮัลเบลล์ฉันบอกทุกอย่างหรื อ, อยังบรรดาซาฮับทุกคนก็ยอมรับว่าท่านนาบี ได้บอกหมดแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับท่านนาบีสโลลล้องอัลสลามจากเราไปด้วยการทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์ผู้สื่อทอดบรรดาสัฮาบเป็นเพว่าอุลล่าอิจ่าลาอะไรบรรดาอัลสลฟุซซาลหบรรดาตับียินบรรดาอ ال ุลามะทำหน้าที่ของพวกเขาอย่างดีเยี่ยมบันทึกฮะดิษต่งตางๆให้กับเรา บันดาคนที่เป็นฮาฟิสฟารบันดาคนที่เอาอัลกุรอานทาหน้าที่ดีหมดแล้วเหลือหน้าที่ของเราละพร้อมหรือยังที่เราจะทาหน้าที่ให้ดีอะทาหน้าที่ของเราให้ดีนี่ติดอมีนูบิลดาฮิวารัสูอิมานห้ดีวะตอัซิรูวะตูอัรูวะตูอัสบบิูบุครัตันวะอัซีลาอัลลอฮอััเรา ไม่ต้องมานั่งจดบันทึกฮัตติแล้วยุคของเราอ้าวัลลอฮลลอฮิชลไม่ต้องมานั่งแม้กระทั่งจะเปิดหนังสือฮัตติสก็ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้เป็นหน้าที่ของคนอื่นแล้วเป็นหน้าที่ของ Google ไปแล้ววัลลอฮลลอฮิมะชลเรามีหน้าที่แค่อะไรเรียนฟังแล้วก็เอามาทํานี่อย่า AH. รอลุสึกว่ายากแล้วเกินทําไมอ่ะ จะปฏิบัติตามสิ่งที่เขาเขาเปิดให้กับเราแล้วเขาขยายความให้กับเราแล้วเขาอธิบายให้กับเราหมดทุกอย่างแล้วยังทําไม่ได้ถ้าเราเกิดในยุคนู้นจะทํำยังไงสมมตุติเกิดในยุคที่จะไปหาฮะดีสบทหนึ่งต้องเดินทางหนึ่งเดือนอะไหวไหมทุกวันนี้จเจ้าฮะดีสบทนึงต้องเดินทางกี่วันยังไม่ยอมทําหน้าที่ของเรา astaghfirullah wa atubilah เพราะฉะนั้นชัดเจนไหมสองอายัดนี้หน้าที่ของรอสู้จบแล้วเหลือหน้าที่ของเราสิ่งที่เราต้องเช็คตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่ของท่านนบีแล้วนะแต่ที่เราต้องเช็คคือหน้าที่ใครหน้าที่เรานี่แหละพร้อมไหมที่จะเป็นกับบรรดาสัฮาบะคนที่ให้สัตยาบันกับท่านนบีสุลต์สัลลัมในสนธิสัญญาอัลฟูดัยเบียที่อัลตาลกามาจะพูดถึงในอายัดต่อไปอายัต่อไปอายัที่เท่าไหร่ ายติศอินั้น الذين يبايعونك إنما يبايعون الله นี่คือตัวอย่างบุคคลที่ทำหน้าที่ของเขาอมม์ระชาชาติที่ทำหน้าที่ของพวกเขาด้วยชีวิตและจิตใจนั่นก็คือคนที่เป็นบรรดาสาบบของท่านนาบีในการทำสัญญา อัุดในการทำใบอ่ะไม่ใช ja ่สัญญาเขาเรียกว่าอะไรนะสัตยาบันอัลอุดไดบียอินนัลละดีนยุบายอุนักบัดดาพูดที่สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อเจ้านั้นอินนามยุบายอุนอัลลอฮฺแท้จริงแล้วเหมือนกับพวกเขาได้ให้ํำสาบานว่าจะจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺยัดุลลอฮฺฟาวก้าอดีห์ม พระหัตของพระองค์นั้นอยู่เหนือพระหัตอยู่เหนือมือของพวกเขาใครก็ตามที่ทาลายคาสาบานนี้ก็เหมือนกับว่าเขาได้ทาลายตัวเขาเองและใครก็ตามที่ทำตามสัญญา ที่เขาได้ทำไว้กับอัลลอฮ์อัลล์ก็จะให้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่แก่เขาพร้อมไหมนี่หน้าที่ของเราซหฮบะทำหน้าที่เสร็จแล้วตัวอย่างของคนที่ทำหน้าที่ของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ก็คือบรรดาซหฮบะจำนวน1น0 0นคนโดยประมาณที่ได้จับมือกับท่านนบีสุลตานของเราวะซัลลัมใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งที่ฮูไดบีอะ สัญญาว่าอะไรสัญญาว่าจะยอมเสียสละยอมเสียชีวิตเพื่อปกป้องศาสนาของ Allah ปกป้องรอสูลของพระองค์นี่คือบรรดาคนที่ให้มุบายอะแ์ก่ท่านนาบีสุลลัลละในวันนั้นซึ่ง Allah سبحانه และ ت ع า ل ى บอกว่าการที่บรรดา صحاب าานี่ไปมุบายอะ์กับท่านนาบีในวันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพวกเขากาลังให้มุบายอะฮ์ต่อ Allah ตอลาโดยตรง สุภาน้าหลเป็นการตะคีดเป็นการยืนยันว่า น, นี่คือสัญญาของพวกเขากับ a l l AH. ไม่ใช่แค่สัญญาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้นแต่เป็นสัญญาที่ได้รับการยืนยันด้วย Allah สุภาพนาตาลาเองและเป็นคำสัญญาที่เขาจะต้องรักษาระหว่างเขากับ Allah ถ้าผิดสัญญาก็คือผิดระหว่างเขากับ Allah ด้วย ไม่ใช่ผิดสัญญาระหว่างเขากับท่านนบีสัลลัลลอฮุซุลนะอัลลอฮ์การผิดสัญญาเนี่ยามันนกกาซใครก็ตามที่ผิดสัญญาอันนักสารนการ์ซนมาจากคำว่าอะไรนะได้ได้ที่ม้วนหรือเชือกที่มันม้วนมวนมวนมวนนกการซก็คือเราไปอะไรนะ คลายคลายเชือกออกคลายได้ออกมาอันนี้คือความหมายโดยดั้งเดิมรักษ์ของคำว่านักการการสัญญาก็คือเหมือนกับเราผูกเชือกนั่นหนาละกับอโมสเมาต์จารา ว, าาว่าจะยอมมอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้กับเรและเมื่อไรก็ตามที่เราทำลายสัญญานี้สังเกตดูให้ดีนะครับในอายัดนี้ใช้คำว่าแฟมัน เอาฟาบิมาอาฮาดาอัลเลห์หูปกติแล้วคำนี้จะไม่มีที่อื่นในอัลกุรอานลองสังเกตดูเลยลองติ๊กเอาไว้เลยนะอัลเลห์หูเนี่ยมีตรงนี้ที่เดียวถ้าเราไปหาที่อื่นเนี่ยจะมีคำว่าอัลเลหีถูกต้องไหมอัลเลหีอัลเลหีทุกที่ในอัลกุรอานจะเป็นอัลเลหีหมดเลยแต่พอมาตรงนี้อัลเลห์หู เพื่ออะไรอุลามะตัฟซีอธิบายว่าโดยปกติแล้วอะเลฮีแต่ตรงนี้เนี่ยอะหูเนี่ยเพื่อเป็นการอัตถิฟิมเพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับสัญญาของอัลลอสุบบานตะลาว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สัญญาของอัลลอตะลาไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะฉะนั้นใครที่รักษาสัญญาของวะแน่นอนว่าอัลลอตะลาจะให้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กับเขา และใครที่ทำลายสัญญาของ Allah t a a l ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอะไรทีตรงนี้จึงเปลี่ยนเป็นอะไรหุความหมายเหมือนเดิม น, นะครับใครก็ตามที่ทำลายสัญญาที่ได้ทำไว้กับ Allah s u b h a n a h วะต Taala แน่นอนเหมือนกับว่าเขากำลังทำลายตัวเองโซฟมอหัลลวจูบอะไรเพราะอะไรที่เรียกว่าทำลายตัวเองเพราะสุดท้าย ผลร้ายผลเสียหรือบทลงโทษต่างๆก็จะลงมาที่ตัวเขาเองนะครับละท่าลาลาบากอะไรไหมเราทำลายสัญญาระหว่างเรากับ a l l ละทล่าลาเสียหายอะไรหรือเปล่าพระเดชานุภาพของพระองค์เป็นยังไงลดลงไปไหมมนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้สมมุติทำบาปต่อพระองค์ทุกคนเลยไม่มีใครถักธาต่อพระองค์ทุกคนความยิ่งใหญ่ของละท่าลาลดลงไหมไม่มีไม่ได้ลดลง นะครับเพราะฉะนั้นที่เราไม่ศรัทธาต่อ Allah ที่เราทําผิดต่อ Allah ที่เราทําบาปต่อ Allah จริงๆแล้วเรากาลังทำลายใครเรากําลังทําลายตัวเราเองวลัยแย่ก็เป็นไร ใ, ในขณะเดียวกันถ้าเรารักษาสัญญาของเรากับ Allah سبحانه และกษัตริย์ถามว่าบุญคุณของละตัลลาหรือความยิ่งใหญ่ของละตัลลาจะเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือเปล่ามันมันไม่มีคําว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะว่า ความยิ่งใหญ่ของละตาลามันสมบูรณ์หมดแล้วมันไม่เพิ่มไม่ลดแล้วยิ่งใหญ่อลังการตั้งแต่แรกจนกระทั่งนิรันดร์การอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวว่าอ่อพเราอิหมานเยอะอะไรเยอะบารมีของละตาลาจะยิ่งเพิ่มขึ้นไม่เกี่ยวนะครับสุดแานนลอคนที่จะได้รับความดีงามนั้นไม่ใช่อัลล์ตาลาแต่เป็นตัวเราเองที่จะได้รับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ มาช่วยกันหน่อยเถ อ, อะช่วยตัวเองช่วยกันทำหน้าที่ของเราให้ดีเถอะช่วยทำหน้าที่ของเราในการศรัทธาต่อรอบสมาสตาอาลรให้ดีช่วยทำหน้าที่ในการปกป้องศาสนาของอสุภาเนาะตาละแล้วผลดีทั้งหมดทั้งปวงมันจะกลับมาหาเราโดยปริยายไม่ต้องมานั่งลังเลอีกต่อไปไม่ต้องมานั่งคลังแคลงอีกต่อไป ไม่ต้องมานั่งประวิงเวลาอีกต่อไปว่าจะช่วยดีหรือไม่ช่วยดีจะปกป้องดีไม่ปกป้องดีจะศรัทธาดีจะไม่ศรัทธาดีอัลลอฮฺอักบัการจะเป็นผู้ศรัทธาต่อลอสวาลอัลลอฮเนี่ยมันมันต้องเสียอะไรอะต้องแลกกับอะไรเชียเพราะสุดท้ายถ้าเราบอกว่ามันไม่เยอะไปหรือที่เราจะแลกชีวิตจะแลก ลมหายใจเพื่อมอบให้กับอัลลอฮฺสุบานะจ๊ะละแล้วทุกวันนี้ที่มันหมดไปทุกวันนี้เราใช้ลมหายใจให้หมดไปกับอะไรและมันให้อะไรเราที่เราใช้หมดทุกวันทุกวันเนี่ยยี่ี่ชั่วโมงนี่ลมหายใจของเราหมดไปกับอะไรแล้วที่มันหมดไปกับสิ่งนั้นมันให้อะไรกับเราบ้างไม่รู้นะผมบอกได้แค่นี้อยากให้ช่วยกันคิดทุกวันลมหายใจมันก็หมดไปอยู่แล้ว แล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่มันหมดไปเนี่ยมันให้อะไรเราบ้างอัสสลัมวะอัลลอฮละในขณะที่ถ้าเรามอบให้กับอัลลอฮฺสวาตะอัลลเราเอามาจากพระองค์นะลมหายใจนี้เราเอามาจากอัลลอฮฺตะอัลละนะถ้าเราจะมอบให้กับพระองค์กลับคืนไปมันไม่ได้หรือเวลาที่เรามอบลมหายใจของเราให้กับ Allah, อ, อัลลอฮฺสวาบตะอัลละนอกจากมันจะไม่หมดไปแล้วมันยังมีอย่างอื่นกลับมาหวนกลับมาที่ตัวเราอีก อัลลอฮอบแน่นอนว่ากระบวนการคิดแบบนี้ต้องอาศัยความอะไรดีต้องอาศัยความศรัทธาต้องอาศัยความรู้ในเรื่องราวต่างๆที่ท่านนบีสุลต่าละเอามาสอนเราเอามาบอกเราและหัวใจของเราก็จะเปี่ยมล้นไปด้วยความรู้สึกที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของล่องเเบวแต่ละถ้าไม่ศรัทธาถ้าไม่เรียนรู้มันก็ยากนะ ยากที่จะเอาหัวใจของเรามาตั้งไว้ในสถานาการณ์หรือในสถานะแบบนี้นะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺมัลลลลอห์มัจเจลนาหมินะลุเอมินอัสสิดีรินอัสซัลิฮินยูรฮัมติคะยอารฮัมอรอฮมนะครับเราขอดูอัลลอฮฺสุบานตะลให้เราเป็นคนที่ยอมนะครับศรัทธาต่อพระอัลลอฮฺสุบานตะลอย่างสุดใจเราหัวใจของเราต้องร้อยเปเซ็น ร่างกายจะได้เท่าไหร่นั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่หัวใจจะยอมแพ้ไม่ได้นะหัวใจเราต้องร้อยเปอร์เซ็นต์กับบัลลังวรรค์ تعالى อาเมนยา رب العالمين นะครับอันนี้น่าจะได้ละแค่นี้ والله تعالى علم وفقنا الله إياكم بما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربيك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركات